เคยฟังความจริงที่ทาธาตุน้ําในร่างกายเขาพยายามบอกกับเราไหมเคยฟังเทพจากาธาตุลมที่เขาพยายามจะชี้แจงเราไหมเคยได้สาระจากาธาตุไฟที่เขาพยายามจะให้แสงสว่างแก่จิตเราไหยเราพลาดโอกาสเยอะเลยนะทั้งที่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 คือยาณมะตายะกับปฏิสติมะตายะในสติปัฏฐานสูตรที่อธิบายพวกท่านฟังทั้งหมดเนี่ยนะคือสติปัฏฐานสูตรการพิจารณาสติปัฏฐานแต่อาจตามาทำให้พวกท่านรู้สึกว่าไม่ได้พิจารณาสติปัฏฐานทั้งที่ความเป็นจริงท่านกาลังพิจารณาอยู่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 ยุติการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้